ดูก่อนพิสษุน์ทั้งหลายเราไม่เห็นทำอื่นสักข้อหนึ่งที่มีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนี้ดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่ง